องชาญห้าวิตกวิจารเนี่ยถ้าวิตกวิจาร์ธรรมดาก็หมายถึงความคิดธรรมดาความคิดที่มีวิจารณ์ก็คือสติที่รู้ทันความคิดถ้าในภาคปฏิบัติมันมีวิตกวิจาร์ปีติสุขเอกะขะตาแต่บางทีความคิดธรรมดามันก็ทำให้เกิดปีติเหมือนกันเช่น ความคิดถึงบุญถึงกุศลอะไรแล้วมันทําให้ตื้นตันใจอะไรทํานองนี้เช่นอย่างบางทีเราอยากได้อะไรมากๆพอได้สิ่งนั้นมามันก็ทําให้เราเกิดปีติเหมือนกันเอกคตาไม่ได้หมายความว่าจิตต้องนิ่งไม่มีอะไรเพียงอย่างเดียวอย่างเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้จิตของเราเป็นกลางเกิดความคิดอะไรขึ้นมาสติรู้ปั๊ รู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอันนี้ก็คือเอกัคคตาเอกัคคตาจิตเป็นหนึ่งโดยไม่มีความคิดไม่มีอะไรนั่นเป็นเอกัคคตาในฌานสมาบัติแต่เอกัคคตาในสมาธิวิปัสสนาต้องมีวิตกวิจารมีความคิดแล้วก็มีสติรู้พร้อมเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติที่สบายที่สุดก็คือว่า เราไม่ต้องไปควบคุมจิตเพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตอย่างเดียวถ้าจิตนิ่งปล่อยให้มันนิ่งไปถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดแต่เราเอาสติตามรู้อันนี้เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็น